ทัานไม่ได้อธิบายเรื่องสินเพราะนั้นต่างคนต่างไม่อธิบายลูกหลานพวกพวกเราเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังก็คงไม่รู้คุณค่าของสินเพียงแต่ว่าพวกคนโบราณเขาถือมาอย่างไรลูกหลานก็รับไปจะไปวิจญาณมากก็ไม่ได้กลัวบาปก็รเหตุรเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าจะไป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 ทุกอย่า ง, ย, งยังไงก็องอให้มวลหลวงพ่อเป็นผู้กล่าวสังเวชเนิยการฐานในวันนี้หลวงพ่อเออเอาร่าเป็นลักษณะอย่างนั้นทำความเข้าใจกันก่อนหลวงพ่อเออไม่ปฏิเสธเพราะหลวงพ่อรู้เรื่องจริงๆกว่าองค์อื่นๆเพราะหลวงพ่อรับรู้รับทราบเรื่องราวการเป็นมาจนถึงวันที่หลวงพ่อของเรามรรลณภาพ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 นและพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าเป็นเวลาทั้ง6ปีจึงรู้หนทางที่ได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6กเพนที่ว่าปุกเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาอาสาวะขยะญาณในวันเดือน6 เ, นเพนนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนที่ได้ตัดสู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณนั้น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 อันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นพวกเราทุกท่านเมื่อได้ศึกษาให้กว้างขวางแล้วหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าเน้นหนักเรื่องอะไร อ, อในเมื่อเน้นหนักเรื่องอะไรที่ได้ท่ท่านได้ตัดรู้ในเมื่อท่านนั่ง ท, ท่านนั่งสมาธิเมื่อปฐมพยามคือตอนหัวคำพระองค์ได้ตัดรู้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 ไม่มีเชื้อพระองค์จึงได้ประกาศออกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราไม่เกิดอีกแล้วนะีอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจากองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านพึ่งจุดติ๊นิ่เราผ่านไปยังใหม่ใหม่หมัดหมัดท่านก็ประกาศคํานี้ออกอีกเหมือนกันเพราะพุทธเจ้าประกาศได้เราก็ประกาศได้เรารู้เห็นอย่างไรเราประกาศอย่างนั้นอันนี้ก็คือทำคําสอนของ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 เวลาพระบ้านตาท่านละไหว้พระแล้วก็ทําวัดร่วมกับท่านไปได้เปิดวิทยุ ข, ขึ้นมาแล้วก็นั่งประนมมอือแล้วก็ไหว้พระไปกับทางพ ร, พระวัดป่าบ้านตาแต่ท้าว่าเรายังท่องไปได้เราก็เอาหนังสือมาท่องตามก่อนต่อไปเราก็ท่องได้เราควรจะทําวัดเย็นถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรในคืนแต่ละคืนจากนั้นเราก็ เ, เมื่อเสร็จแล้วก็ฟังเทศลงตานั่งสมาธเิเสร็จแล้วก็นั่งฟังสมาธิคือนั่งสมาธิฟังเทศลงตาสักกันหนึ่งแต่ละวันหลวงพ่อว่าจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสของพวกเราภายในใจพวกเราจะเป็นคนดีขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อือยออสิ่งไหนที่มันไม่ดีพวกเราจะกระจัดออกเพราะเราได้ยินพระธรรมคาสอน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 หลวงปู่สาวหลวงปู่มันท่านสอนว่าถ้าเราปฏิบัติตามแนวแถวหลวงพระพุทธเจ้าที่ว่ากาหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกนั้นมันเสลอได้ง่ายมันหลุดได้ง่ายมันหลงลืมได้ง่ายควรจะสำทับพุทธโถเข้าไปด้วยนะเพราะเราเป็นสาวะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธะสาวกะเพราะนั้นเราควรจะกาหนดลมหายใจบริกรรมพุทธ